อืม ก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกนะแต่ก็เหมือนเราก็ลองฟังไปนะเรียนรู้อะไรอะไรดีก็เอาไปอะไรไม่ดีก็กทิ้งไว้อะไรประมาณนั้นเนาะที่จริงก็ชีวิตคนคนหนึ่งมันก็มีเรื่องราวเยอะมากแต่ถ้าตัวเองดูตัวเองนะมันมีสามจุดเปลี่ยนของชีวิต สารจะเปลี่ยนในชีวิตซึ่งมันก็สําคัญมากนะจะเปลี่ยนไม่ใช่แบบแบบชีวิตแบบเปลี่ยนทางในยขนาด น, นั้นแต่มันมันเปลี่ยนในใจเป็จุดเปลี่ยนในใจของตัวเองแต่ตอนวัยเท่าๆพวกเราเนะ่ยพระอาจารย์ก็ก็อยู่ในครอบครัวเลยกว่าชนชั้นกลางนะพ่อแม่เป็นข้าราช ก, การอยู่ในไม่ไกลเมืองมากไม่ชนบทมากนะห่างจากเมืองมาก เจ็ดกิโลอไแบบนั้นะนันเหมือนหยุดกึ่งระหว่าเมืองกับเชนบทฐานะก็พอกันงๆนไม่รวยมากไม่จนมากเลยปมาณนั้นนะเราก็มีความคาดหวังกับพ่อแม่กับครอบครัวพอสมควรแต่ไปขนาดพวกเราอะเรารู้สึกไม่ค่อยเข้าใจพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจผู้ใหญ่มันจะรู้สึกว่าเหมือนทําไมเขาที่จริงเราไม่ค่อยถามตัวเองแบบว่าเราไม่เข้าใจเขาแต่เราเสยเราจะเรียกเขาทําไมเขาไม่เข้าใจเรา ครามทุกของใบรุ่นของตัวเองนะเรื่งก็ไม่เรื่องใหญ่นะอยากได้เป็นเกงยีนพ่อแม่ไม่ซื้อให้เนี่ยก็ทุกข์มากเลยนะอยากได้มอเตอร์ไซค์พ่อแม่ไม่ซื้อให้เนี่ยก็ทุกข์มากคือคือทุกข์ไม่ใช่ละทุกข์แบบคือทุกข์แบบทําไมเขาไม่ทําตามใจเราแบบนี้เนาะเราอยากได้เหมือนเพื่อนทําไมเราไม่ได้เหมือนเพื่อนอะไรประมาณนะั้น มันก็เป็นความรู้สึกที่เราก็พ่อแม่ไม่รักเราหรือเปล่าทาไมเป็นแบบนั้นบางครั้งเรื่องที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆที่เราก็ไม่ได้เชื่อนะแต่วงทีพอเกิดความสูนะ้สึกนียมันก็แอบสงสัยนะะไม่รู้เพราะเราเคยโดนแฝงโดนหยอกเล่นหรือเปล่าบางทีคำพูดผู้ใหญ่บางคนนะหยอกเด็กหยอกเด็กเล่นนะเขาไม่คิดอะไรแต่เด็กบางที เราก็ว่าเราไม่คิดนะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็เก็บมาคิดพ่อแม่ขอเรามาเลี้ยงหรือเปล่าปนระมาณนั้นไม่ใช่ลูกจริงๆหรือเปล่าตอนที่เขาแซลตอนนะั้นเราก็ไม่เชื่อนะแต่พอเวลาเราน้อยใจอ่ะเอออาจจะใช่ปะมานะ้นทำไมเขาไม่ซื้อให้เราไม่ตามใจเราปนะมาณนั้นมันจะรู้สึกแบบรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยรักเราะ บางที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้อะไรรุนแรงกับเรามากนะแต่มันจะมีค้องสรรกึกแบบนั้นแต่มันมีช่วงหนึ่งจุดเปลี่ยนแรกของผมผู้จาร์นะเคยเล่าหลายทียูเรื่องตอนประมาณม .5 น่ะตอนนั้นก็แม่ก็ซื้อมอไซค์ให้ละแต่แบบม่ต้องโบ่ประมาณว่าอย่าไปขี่ล้มนะอย่าไปสิ้นนะถ้าล้มเมื่อไรจะตีให้เขล็ดอะไรประมาณนั้นนะจะว่าจะจ่าจะตีอะไรประมาณนั้นเราก็ เราก็ไม่ได้แก่ไปสิ่งอะไรที่ไหนหรอกนะเราก็แค่อยากจะขี่ไปโรงเรียนไปเที่ยวอะไรบ้างแต่มีวันหนึ่งอะ่ะมอเตอร์ไซค์มันเประมาทเนาะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เออเราก็ใจลอยเน่ยจะไปงานเลี้ยงบันจีใหม่กับเพื่อนคราว น, นี้ใจลอยรถเขาแซงกันมาเราก็ไม่เห็นรถที่เขาแซงมามาเห็นใกล้ๆปกตินะ้ำฝนก็กำลังหักตกทางซ้ายใช่ปะ เราก็หักหลบต้องขวาปุ๊บรถคันที่แซง ม, มาไม่ชนแต่รถคันที่สูกแซงมมชนอยู่โรงพยาบาลเสร็จพอพอชนปุ๊บเนี่ยนอ น, น, อนแต่ไม่ได้หมดสติแต่มันลุกไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไรไม่รู้ตัวเองขาหักไม่รู้ตัวเองว่าเด็กมันแทงขาเลือดออกแต่ไม่หมดสตินะแต่ความคิดแรกเลยนะกลัวมแม่ว่า ว่าแม่ตีไอ้ความรู้สึกอะความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเขาอเขาอาจะรักเราไม่มากนะักหรือว่าเขาถ้าเราทําผิดเนี่ยเขาต้องทําโทษเราแน่ความรู้สึกเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะพอลน้อมความสึกเดี๋ยวแม่จะตีไม่ได้ห่วงว่าแต่เองจะเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนะดน้อมล ด, ลมลดพังอะไรมาเนะี่ยความรู้สึกแบบเนี้ยมาขึ้นมาก็แต่เราก็ช่วยแต่เองไม่ได้ถ้ามีคนหวังดีคน ใด่ดีเขาต้พาไปดมบาดก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะใส่กางเกงขา ย, ยาวพอไปถึงห้องฉุกเฉินพอเปิดขาเกงขึ้นมาปุ๊บโอ้เด็กไอ้ที่มันอยู่ท้ายแหงมว่าแส้มันแทนก็ไปที่ขาเนื้อหายไปเยอะเหมือนกันใช้เวลาในการารักษาเนื้ออื่นมาแล้วก็รักษาขาที่หักนะก็เดินกว่ากวแต่มันความรู้สึกแรกที่ พอแม่ไปเห็นท uh, ี inet, uh, ่ห uh ้องเออารห้องฉุกเฉินนะแม่กับพ่อพ่อนุ uh, ่มโลบไปเลยนะคงอยู่บ้านไม่ได้อะไรนะไม่ได้เตรียมตัวพอลูบลูกเอ่อรถตมเนี่ยไปแบบนุ่มโลบไปเลยนะแม่ก็ไปชุดไหนเรืรอแต่ความรู้สึกแรกอ่ะคือแม่ก็ไม่ได้ด่าเราเราคิดว่าแม่ต้องด่าเรากระมาณนะ้แต่แม่เขาร้องไห้ก็เสียใจก็กอบใจเรามันเปลี่ยนนะ แล้วก็ในช่วงเวลาที่อยู่โรงาบาลเดือนเกิอบกว่าเข า, ข า, เขาแม่บ้างพ่อบ้างตายเลิตาเสียแล้วปู่บ้างยา่ายายบ้างคนอื่นๆ น, นะไปดูแลเราตลอดผนละกันไปดูแ ล, แลเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเออไอเ น, นี้ยคือความรักที่ที่แบบมีให้กับคนคนหนึ่งนะ คนที่เราเขารักเรามากที่สุดจริงๆคือคือพ่อแม่แล้วก็ญาติของเรานะี่ยเพือ่อนพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมนะตรงเรียก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนะไปทั้งห้องเลยไปหนึ่งครั้ง <c oughs> ไปหนึ่งครั้งแล้วตอาย จ, จะมีมีเพื่อนอีกสองคนไปเยี่ยมช่วงหนึ่งช่วงปีใหม่แค่นั้นแหละเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าแต่เราไม่ได้โกรธเพื่อนนะแต่เราก็รู้สึกคือ โดวยวัยรุ่นนะบางทีเรามีความสนุกมีความสุขอ่ะมันจะทำได้กันแต่ถ้ามันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันจะไม่ค่อยอยากจะมาทํามาเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยมันไม่ได้ความสนุกอะไร <c oughs> แต่เขาก็อาจะมีภารกิจต้องเรียนหนังสือเรียนพิเศษหรืออาจจะมีงานอะไรต่างก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่มันก็รู้สึกว่าคือคนที่รักเรามากีจริงคือครอบครัว ไม่รู้นะพวกเราอาจะลองไปดูแต่พระอาจารย์รู้สึกว่าโชคดีโชคดีอย่างหนึ่งรถชนทำไม่ตายโชคดีอย่างที่สองคือรู้ว่าคนที่เรารักมากจริงคือครอบครัวถึงวันนั้นจะถึงวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไมีความสงสัยในความรักของของพ่อของแม่ของอครอบครัวเลยว่าเขารักเราแต่แต่อย่างหนึ่งนะั้นมันก็ต้อง คือเขาก็เป็นปุลุชนนะไม่ใช่พ้าราชการไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ใช่เป็นคนสมบูรณ์แบบนะบางทีเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยบางทีว่าคนที่รักเราบางทีก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ก็จะมีขาดขา ด, ขาดเกินเกินดีไม่ดีบ้างแต่มันไม่ใช่ข้อเสียหายนะอืมอันนี้สําคัญนะบางทีวิาจารณ์เห็นชีวิตของคนไหลคนที่เขามีปมกับเรื่องพ่อเรื่องแม่บางทีปมคือ ทำไมแม่เป็นอย่างนั้นพ่อเป็นอย่างนั้นอะไรนั้นะคือจะรู้สึกว่าแม่ไม่เป็นอย่างที่ที่ตัวเองตั้งเป้าไว้พ่อไม่เป็นอย่างที่ตัวเองตั้งเป้าไว้พอไม่เป็นอย่างที่ตัง้งเป้ า, เาไว้มันจะรู้สึกรู้สึกแบบมีปมอะไรบางอย่างแม่ทําไมรู้สึกพ่อกับแม่ไม่รัก เ, ยเอยนะแต่บางทีการแสดงความรักของของพ่อที่ให้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะ บาคนพ่อแม่บางคนกอดลูกพูดดีกับลูกบางคนดุบางคนด่าบางคนปล่อยนะแต่ลึกๆแล้วพระอาจารย์เชื่อว่าพ่อแม่รักนะแต่เป็นพราะว่าวิธีการแสดงความรัก่ะมันต่างกันบางทีเราก็ไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้บางทีก็ก็ําให้เราก็รู้สึกว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่านะแต่เชื่อเถอะนะวันหนึ่งที่เราทุกข์มากๆวันในที่เราเจ็บมากๆคนที่อยู่ข้างเรา มาที่สุดคือพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่อยู่นะัะหรือแม่ก็คนคนที่ดูแลเรานั่นแหละจะมาอยู่กับเราใกล้ๆเรามากที่สุดเ ว, เวลาใดเรามีปัญหาเนะี่ยพ่อแม่ม ด, ดีกลับมาหาเรานะอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งของของตัวเองที่ทําให้รู้สึกเออเรื่องเรื่องเนี่ความรับความอุนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญกับตัวเราเองนะ พอเราเข้าใจตรงนะั้นเราก็ไม่มีคําถามไม่มีความสงสัยแล้วแต่เราก็เข้าใจ เ, าเ้าในความเป็นเป็นคนธรรมดานะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างที่ใจเราต้องการทุกอย่างเราก็รู้สึกสบายแล้วสบายอันนี้อย่างที่หนึง่งพวกเราเองาก็ <c oughs> จะลองดูนะเออลองอาจจะฝากไว้ก็ประมาณว่าบางทีที่เรารู้สึกพ่อแม่ไม่รักเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ คิดได้ว่าเขาไม่ได้ให้อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นอืมหรือเราหรือเราก็คาดหวังเขาโดยการไปเปรียบเทียบกับพ่อแม่คนอื่นอะไรแบบนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าพ่อแม่เรายังไม่ดีพอหรือยังให้ความรักเราไม่มากพออะไรแบบนั้นบางทีมันมีนะแต่เรามองไม่เห็นก็ได้นะลองดูแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่ อาจจะเลยไว้พวกเราไปนิดนึงก็อาจารย์ถ้าถามว่าตอ น, น, นเด็กก็มีไอดอลเหมือนกันนะไม่แค่เด็กเป็นวัยรุ่นมีมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ ง, งเขาก็เป็ น, เ, นเป็นข้าราชการทัานผู้ใหญ่เนาะเป็นเหมือนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอนะไรนเอนก็เห็นคนในครอบครัวเห็นคนในชุมชนก็แบบรู้สึกแบบออืเนี่ยแบบเคารพนับถืออนะไรนั่นเราก็อยากจะเป็นแบบนั้น อีกอย่างหนึ่งล้วก็อาจะเรียนสายวิทย์นะวิทย์คณิตมปลายแต่รู้สึกว่าพอไปเรียนวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วมันมันไม่ชอบแต่เรียนวิยาสังคมะ่ะโอเคชอบก็เลยสมัยก่อนเป็นเอ็นทาร์ก็เลยอยากจะเอ็นทานเข้ารัฐศาสตร์เพื่อจะได้แบบเป็นสายตกครองตามนั่นแหละนะส่วนหนึ่งเราก็ชอบเรียนทางสังคมด้วยอยูอย่แล้ว พอเอ็นทานก็มไม่ติดรักศาสตร์นะไม่ติดกับความเอ็เขอะที่ธรรมศาสตร์ถึงขีดที่สองตอนที่ได้เข้าธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ทํากิจกรรมครับมันคืออย่างที่ว่าแปะ ก, กาวเราเป็นคนกึ่งเมืองกึ่งชนบทนแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เหมือนไม่รวยไม่จนอะไรมากแต่แต่ก่อนในวัยรุ่นน่ะ คนก็อยากจะเข้าไปอยู่ในเมืองนะเข้าไปอยู่นที่สิวิไลเข้าไปใช้ชีวิตที่มีความสะดวกสบายครับแต่พอไปธรรมศาตร์มันได้ไปทํากิจกรรมไปดูนะถ้าพวกเราเป็นนักศึกษาอยากให้พวกเราลองทํากิจกรรมบ้างมันกิจกรรมมันเปลี่ยนชีวิตนของตัวเองนะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองอย่างหนึ่งคือ คืออย่างธรรมศาสตร์ก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่เขาก็ทํากิจกรรมรกับสังคมเยอะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้คือมันไม่มีเพื่อนนะก็เลยต้องทํากิจกรรมอาจารย์เรียนที่ต้องมาเรียนเชีภูมิเขดีจนะุ่คนปีนั้นเองทานติดธรรมศาสตร์คนเดียวแต่เขาก็ติดที่อื่นนะะในห้องแต่เราไปแบบตัวนคนเดียวครับไม่มีเพื่อนทำมหาอะไรอะ่ะไม่รู้จากใคร อ, อาศัยอะไรครับกีฬา กิจกรรมแล้วก็การเรียนสามกอสามกอในการหาเพื่อนแล้วก็ในการทําให้เราอยู่ได้กีฬาก็เล่นไปเล่นอะไรเป็นก็เล่ น, นการเรียนก็ในห้องก็พยายามไม่ขาด่นะแต่พอทำกิจกรรมมากๆก็ขาดเหมือนกันแหละกิจกรรมน ะ, นะก็กิจกรรมลหลายๆอย่างทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอย่างปกติเป็นคนไม่กล้าพูดครับ จำได้เลยตอนปีหนึ่งในมหาลัยเนี่ยพิชาภาษาไทยปู่ให้ออกไปพูดเตรียมพูดคนลห้านาทีในคาสามสิบสี่สิบคนมั้งคาภาษ า, าไทยย่อยๆนะพออาจารย์ให้คะแนนเนี่ยอาจารย์เนี่ยให้คะแนนต่ำสุดเตรียมเรื่องอย่างดีเลยนะแต่พอให้พูจริงมันประมาและมันแบบ ม, มันคือเราก็ขี้อายตั้งแต่เด็กลแล้วตั้งแต มัธยมเนีัยไม่กล้าพูดนะไปมหาลัยก็ไม่กล้าพูดแต่พอทํากิจกรรมมันมันได้ฝึกพัฒนาตัเองห ล, หลายอย่างได้เป็นผู้นําได้ทํานั่นทานี่หลายๆอย่างนี้คือพัฒนาภายนอกนะแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการพัฒนาภายในครับพัฒนาที่อาจจะเป็นเรื่องความคิดความคางจะมีจุดสุดที่สําคัญคือแต่ก่อนเราก็อยากจะเป็นเหมือน คนใจคนโตส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าอยากจะได้ชื่อเสียงกิติยศแต่ส่วนหนึ่งก็อยากจะทำประโยชน์กับคนอื่นได้แหละนะแต่มันก็รู้สึกว่าบางทีสังคมเรามันก็มีอะไรมากกว่าแค่เรื่องของเราดูเ <c> ข <oughs> ้าใจฟังเหมสังคมเราสมัยก่อนตอนปีที่อาจารย์เข้าไปเรียนนะปี40มันมีประท้วง มีสมัชชาคนจนมีอะไรอะไรอย่างก็ไปกระท้วงที่กรุงเทพก็มีวันหนึ่งทุนพี่ชวนไปอา่าไปช่วยคล้ายๆไปช่วยช่วยดูพวกสมัชชาคนจนเขาจะมาประท้วงที่ทางนียบรัฐบาลาก็ไปจากลำสิทธ์นะไปที่ท่าพัชร์แล้วก็ไปที่สถา น, นีรถไฟสามเสนพู้ประท้วง ม, มีมาจากอุบลฮะเกิดปากมูล ลงจากสถ า, านีรถไปสามเสนจะเดินมาที่ทำเนียบรัฐบาลประมาณสองกิโลมักเขาก็ให้พวกเราอนะนักศึกษากลุ่มแล้วก็คนที่สนใจจากลายสถาบันะไปช่วยชาวบ้านขนของพระอาจารย์ก็ไปช่วยชาวบ้านขนของนะก็ไม่รู้อีหน่อยอะไรไม่ค่อยรู้จักเรื่องมอบเรื่องอะไรมากอพี่ที่ควนไปก็ไปไปช่วยขนของจากสามเสนไปที่ทําเนียบ ระจะทางประมาณสองกิโลก็ไปเช่อเพราะฝนะ่ะผลไปก็ถามดุมลุมนี่กระตอบอะไรอะ่ะบอกกระสอบข้าวเข้าวมันใหญ่ๆทำไมมันไม่ค่อยหนักเท่าไหรอ่อ่ะอ๋อมันเป็นข้าวแห้งข้าวแห้งเี่เราก็เฮ้ยเอาข้าวแห้งมาทำอะไรอะ่ะเอามาหุงเอามาเอามาหุงกิน ให้เราอ่ะบ้านพราจารย์กินข้าวเหนียวนะกินข้าวเหนียวข้าวแห้งคือข้าวที่ข้าวเหนียวที่เขาเ้าไปตากเนาะมันแล้วก็ปกติที่บ้าน่ะเวลาถ้าหมุงข้าวก็ต้ก็มาอุ่นสองสามมื้อน่ะมันก็มันก็จะเหนียวๆแล้วพ่อกับแม่ก็บอกเอาไปตากเป็นข้าวแห้งก็ได้เผื่อเราไปให้ปลาหรืองทีเอาไปยดนให้ไก่ ไอ้เราความรู้สึกของเราตอนเด็กๆ ก, ก็คือว่าถ้าข้าวแห้งเนี่ยคือข้าวที่ให้กับสัตว์เอาไปให้ปลาหรือให้ไก่แต่พอเห็นสมสาชชาคันจนเขาเอาเข้าวแห้งมาจะมากินนะครับความรู้สึกในใจมันเขาเขามีปัญหาจริงเพาคนปกติเขาต้องกินข้าวสารนะเอามาเอามาหุงกินแต่นี่เอาเข้าวแงงมากินน่ะ มันมันมันเปลี่ยนเลยว่าเฮ้ยเขามีปัญหานะเขาถึงมาแบบนี้เนะแล้วก็นู่นแหะเวลาไปขุดงานเนี่ยก็ไปอยู่กับคนเ น, น่รอนอยู่ในสะดานะไปอยู่กับชาวเผ่าอะไรประมาณนะี้ไอ้การที่เราทํากิจกรรมเขาเนี่ย น, นะบ่อยๆบ่อยๆอ อ, ออกค่ายอะไรต่างๆมันเปลี่ยนมุมมองเราว่าโลกนี้มันมีผลที่เขายากจนแล้วก็มีปัญหาเยอะมาก เยอะมากจนเอ๊ะเองเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วมันต้องมีธรรมศาสตร์อตัวที่ทำกินกรรมก็จะเอาจะเอาคำฝันของธรรมศาสตร์ที่บอกว่าเป็นนักธรรมศาสตร์ก็ธรรมศาสตร์สอนให้เปนนักประชาชนอะไรประมาณนั้นตอนเป็นนัศาศากธรรมาสตร์เราก็ประมาณแบบนั้นแหละนะก็แนวอยากจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยากจะเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงสังคมเทอะไรประมาณนั้นนะอ ม, มันก็มันก็ทําให้เราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นนะได้ไปฟังไสวนาได้ไปทํานั้นทน่านนี้มันก็เห็นโลกที่กว้างขึ้นที่เรื่องยังมีคนทุกคนยากคนลําบากมากกว่าเราเยอะมากเราจะทําทอะไรได้บ้างเนาะอะไรประมาณนั้นเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลิกภายนอกแล้วก็ความคิดก่านใายในใจสมัยก่อนหนะ้นาไปนึกษาไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างนี้นะ สมัยก่อนนะักศึกษายุบรูปนะยกยกุบตุดาณนะยุบที่เป็นคล้ายคล้ายนัาประท้วงเยอะแต่รุ่นรุ่นไฟจันนี้ก็ประท้วงน้อยอแต่เราก็แบบไ ป, ไปใช้รูปแบบคล้ายๆเดิมนะเป็นพวกห้ายอห้าหยอข้างนอกนะห้ายอมือคุณยีหรือท่านห <c oughs> อเปล่าห้าหยอคือตังเกียงยีน เพื่อยืดผมยาวรองเท้ายางสะพายยา่ามนักศึกษาที่นักศึกษาไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาก็ได้นะแต่บางคนก็ใส่แหละบางคนก็เรียกร้องให้ใส่แต่อาจารนยะ์ใส่ชุดนักศึกษาเฉพาะวันสอบสอแต่ที่เหลือเนะี่ยให้ ย, ยอนะเกยงยืนรองเท้ายางผมยาวเพื่อยืดนะสะพายยา่ามอยู่แบบนั้นแหละนะ แต่บางทีพอเรทํากิจกรรมมากๆมันก็เครียดครับหรือเราดูรุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมเหมือนพี่ที่เป็นต้นเอเจโรเขาก็ทุกข์เราก็แบบสงสัยเหมือนกันได้ทําไมแบบคนที่ทําดี ท, ทําระโยชน์ต่อคนอื่นทําไมแต่บางทีมันก็อารมร้อนระอาจารย์ก็ชอบไปช่วยเหลือคนอื่นนะนย่าเงเช่นไปมออ็อบเงินนะไปประท้วงนละยแต่เราก็ชอบบรรยากาศการช่วยเหลือคนอื่น แต่เราไม่ชอบบรรยากาศเวลาเขาไห้ป้าเขก็ด่าเรารู้สึกว่า่ะเอ้ยไปขึ้นเวทีแล้วก็วกวตีดา่ารัฐบาลแล้วก็ขอให้รัฐบาลมาช่วยนะเออถ้าเราเป็นมดถ้าเราเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีไอเราถูกดา่าแล้วมึงคล้ายๆมาดา่ากูแล้วขอให้กูช่วยเราก็ไม่อยากจะช่วยนะ <laughs> ใช่ไหมเรารู้สึกบางทีมันก็ไม่ถูกนะบางทีใช่ไหมเหมือน มีใครมาด่าเราเราก็บอกเออมึงก็มาช่วยกูนะมะเราก็ไม่อยากช่วยนะเราก็ชอบบางอย่างแล้วก็ไม่ชอบบางอย่างนะมันรู้สึกว่าการไปเชื่อคนอื่นมันก็ดีแต่วิธีการบางอย่างมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกันมันก็รู้สึกสงสอะไรพวกนี้อยู่ในใจบ้างแต่ก็มีบางทีเราก็แล้วก็มีจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะี่อันนี้จาที่สองคือพอได้มาทํำกิจกรรมนั้นะมันได้ได้มาเห็นเรื่องราวพวกนี้ยนะมากขึ้น จิตใจจะเปิดกว้างมากขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยอาหารอีสานที่บ้านนะแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กนั่นเนี่ยบางทีอยู่ในสำรับด้วยกันไม่กินกินแต่อาหารแบบพักกาอะไรปะมานั้นนะ ส, สึกว่ามันมันนอกอะ่ะในสำรับเดียวกันอย่างที่ว่าเป็นคนชั้นกางอยู่กับยายยายก็กินอาหารแบบอีสานเรา ก, กินผัดกินต้มอะไรไปนะแต่พอ อะไเพราะความคิดมันเปลี่ยนมันก็กลิ่นได้นะมันก็ต่างไปเพราะก็มีจุดเปลี่ยนครั้งที่เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําไปสู่ครั้งที่สามตอเป็นนักศึกษามีช่วงหนึ่งที่โกรธอาจารย์มากโกรธอาจารย์เพราะว่าเราคิดว่าอาจารย์ทําไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมน ะ, ะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานเนะ่โกรธมากจนทั้งโกรธ ประเภทว่าจะแตกขัดนี่ได้ประมาณนั้นเขียนประท้วงที่มหาลัยเขียนไปท้วงตั้งกลมไปส่งเพียงอาจารย์ก็ทำด้วยเราคิดว่าเราถูกไม่เขาทําไม่ถูกต้องอะไนี้นะเราก็เอาเต็มที่เหมือนกันแต่พอไปฝึก ง, งานมีอาจารย์คนหนึ่งก็มาชี้ว่าสุทธิศาสตร์จะเห็นคิ้เธอถูกโบ้ตุ๊กตา คือเราไม่ได้มองเห็นตัวเองว่าหน้ามันปูดโกบนิวมันขมวดแต่พออาจารย์ทักในจังหวะนั้นปุ๊บมันมันรู้สึกเห็นใจตัวเองที่มันใจที่มันโกรธนะพอเห็นใจที่มันโกรธปุ๊บนะควโกรธมันหายปุ๊บเลยนะมันก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทาไมแบบโกรธที่จะโกรธข้ามมันข้ามคืนโกรธแบบเอาจิงเอาจริงนะพอแค่รู้สึกว่าตัวเองโกรธปุ๊บนะ ก็ปวดหายเลยท่า น, นั้นก็เลยคิดว่าเออใหเราเนี่ก็เป็นคนค่อนข้างจริงจังเนะาะฉะนั้นเราเดือจบเนี่ยเราอยากจะศึกษาธรรมะก่อนดีก่อนไหมเพราะว่าที่จริงก่อนนั้นนั้นก็ศึกษาธรรมะมาบ้างคล้ายๆตอนไหนมันฟุ้กมากๆนะมันคิดถึงธรรมะตอนไหนมันสุดมันก็ไม่คิดถึงธรรมะนะก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดานะ ตอนนี่มันพุกขมากๆตอนเป็นรักษาวาเคยตอนปกหักตอนผลับสนกับอะไรแบบนี้เดียก็จะเข้าไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ว่าแบบโกรักร้องไห้เสียใจเร็มากขนาดนั้นแต่มันรู้สึกว่ามันเอ๊ะทาไมเขาคิดว่าเขาก็น่าจะรักเรานะแต่พอเราไปบอกรักเขาแล้วทําไมเขาบอกเป็นเพื่อนกันดีกว่าประมาณนะั้นมันมันรู้สึกเหมือนประมาณว่าไม่เราคิดว่าดอกมองใช่มองปลูก แต่มันความจริงมันไม่ใช่มันไม่ถูกตอนนั้นมันก็เรียกว่ามันก็ปิดหว่างเนาะตอนิดหว่างเนาะน่ะจะคิดถึงถึงเรื่องธรรมะตอนที่ตัวเองโกรธมากๆแล้วก็เห็นว่ามันโกรธมันหายไปแล้วมันก็รู้สึกไม่เห็นเราไม่ได้แล้วนะคิดว่าถ้าเรียนจบก็อยวาเพิ่งไปทํางานเลยมาศึกษาธรรมะก่อนดีกว่าก็ได้ตั้งใจว่าพอเรียนจบก็มาบวช ใ น, นจุดเกลี่ยนครั้งที่สามมันแต่การบวชมันก็ไม่คิดว่าจะบวชนานขนาดนี้นะคิดว่าในไหนเบียเจบแล้วใบใบคะแนนบางยังออกไม่หมดนะบวชก่อนบอกแม่ว่านไหนทางพระคิดมันยังไม่ออกบวชก่อนนะแต่พอบวชมันก็บวชมาเรื่อยๆนะ16ปี <c oughs> ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้เหมือนกัน แต่คือมันก็เป็นตึกเปลี่ยนคือมันได้ครบาอาจารย์ที่ที่ดีเนาะอย่างหลวงพ่อก็เขียนป้าอจากย์ีสารแล้วก็มันจะกาดไปในในวัดที่แม้เราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานทางโลกเลยนะแต่ก็มีแค่ทากิจกรรมมาบ้างแล้วก็พอหยุดในวัดมันก็ได้ ไ, ได้เรียนรู้ธรรมะหลายอย่างมากเราช่วงปีแรกนะที่พ้าอาจารย์ บวชเรารู้สึกว่าไอ้ความรู้ก่อนในั้นนะยี่สิบกว่าปีที่เราเรียนตั้งแต่ประถมถึงมหาลันะเทียบไม่เท่ากับธรรมะที่เรียนแค่ปีแรกนะอันนี้รู้สึกนี่ก็เป็นความรู้สึกนะไม่เหมือนรู้สึกที่เราเสียเวลาเรียนมาเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เราไปเรียนเรื่องนอกตัวทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยเรียนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราจริงๆเลยมันรู้สึกอย่างนั้น ตอนนั้นยรู้สึกเสียใจเราไปเรียนทําไมเราไปเรียนสูงขนาดนั้นก็ เ, เพื่อกลับมาเรียนนึกรู้เรื่องตัวเองแบบนะั้นเนาะเสียเวลารู้สึกเสียเวลาตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นแต่พอมามองกันหลังมันก็ไม่เสียหรอกถ้าเราไม่ไปผ่านชีวิพวกนั้นมามันก็ไม่อาจจะไม่เข้าใจธรรมะก็ได้คือถ้าเราไม่ผ่านความผิดหวังผ่านความทุกข์อะไรพวกนี้นมาจีธรรมะ ถ้าเราเห็นตั้งแต่เด็กๆมากๆอาจจะไม่เข้าใจก็ได้อันนี้ก็ก็้สึกงั้นนะคือบางทีประสบการณ์ที่ที่อาจจะเสียเวลาบ้างเดินท่าบ้างบางทีมันก็มันก็เป็นแง่คิดบางอย่างพอเรามาศึกษาธรรมะมันก็มันก็ทําให้เราพอเข้าใจมากขึ้นแนะนี่คือแต่มันก็แต่แตอนแรกนึกว่าปีหนึ่งมันได้เยอะนะแต่ปีต่างๆอ่ะมันอาจจะได้ไม่เยอะแต่มัน ขึ้นครับแต่ก่อนมันเหมือนเรียน ก, กว้างๆเรียน ก, กว้างๆแต่พอตอนหลังมันเรียนลึกลงแต่ก่อนเรียนมีทุกอย่างไม่รู้จะจับอะไรนะแต่พอตอนหลังมันจับได้ประมาณนีน้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้คือเราหนึ่งเรามีจุดเปลี่ยนได้ทําให้เรามีคล้ายๆมั่นใจในความดักอของผู้อดของครอบครัวอย่างที่สองคือทําให้เรา คิดถึงคนอื่นมากขึ้นคิดถึงสังคมมากขึ้นอย่างที่สามเนี่ยคือบางทีเรามีความนัน ก, กต่อครอบครัวก็ดีหรือว่าเราพยายามจะเป็นคนดีะนะแต่เป็นคนดีแบบสิทธิไม่ครบนะคือคนดีพยายามทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแต่ก็ยังกินเหล้าอะไรปนระมาณนั้นตกเงินข้าวัดเยอะอะไรประมาณนะี้แต่อย่างที่สามนะมันมาต่อจากอย่างคือ บางคั้งการอยากจะเป็นคนดีมันก็ยังไม่พอบางครั้งการที่เรามีคนรักบางทีก็ยังไม่พอตจวย์อย่างที่สามคือมันทําให้เราไม่ทุกข์ธรรมะช่วยให้เราไม่ทุกข์แต่แรกๆไปศึกษาธรรมะไปอยู่ที่วัดมันก็มีความทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรเพราะเราก็คาดหวังเราอาจจะเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างแต่เราก็ไม่ได้คุกขีกับพะ แต่พอไปบวชจริงๆนะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในตรงนั้นอนะ่ะเฮ้ยพระเขาก็ติดนินทานหรอในครอในในที่ครัว ก, ก็มีปัญหากันเลยนะมาณนะั้นโยบที่มาวัดเป็นแบบนี้ก็มีเหรอมันก็รู้สึกเฟลนะเฟลคือไม่ใช่แลลเป็นผิดหวงหังมากกว่านะผิดหวงังเราคิดว่าวัดเนี่ยคือสังคมอุตมคติคนที่มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นบุคคลที่ดีสมบูรณ์แบบนะคิดว่าอย่างนั้นพอมาเห็นแล้วแท้อก็ติดหวังบ้าง อ, อกหักบ้างนิดหน่อยแต่มันก็มีที่พึ่งว่าเพื่อจริงจริงอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเนาะมันก็อาจจะเป็นนานากิจตตังแต่ละคนแต่ตัวเราเองมาเพื่ออะไรเราก็ถามตัวเองไอ้ต่อมาเพื่อเราจะมาแก้ทุกข์ในใจของเราไม่ใช่เพื่อที่จะไปให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างที่เรา คิดแต่เ่อก็ได้ เ, น, เนี่ยแหละเรื่องตุกสตินะแต่ก่อนไปวัดเข้าใจแต่เรื่องการทําสมาธิครับเรื่องกรานสมาธิแล้วพอเราเข้าใจแต่ว่าไปวัดเพื่อไปทําสมาธิหรือไปปฏิบัติธรรมคือตอ น, นนั่งนิ่งๆนั่งดูลมหายใจหรือเดินก็ต้องเดินเชช้าพระอาจารย์แต่ก่อนตอนไปปฏิบัติธรรมตอนปนักศึกษาก็ คือพยายามทําตอนที่ไปอยู่วัดแต่พอมาอยู่นอกวัดมันทําไม่ได้อะ่ะเดินจงกรมช้าช้ามาเดินอยู่ในเมืองในตลาดนะั้นจะเดินแบบไห น, นเราก็เดินธรร ม, มาดาใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องกําหนดแบบไห น, นแต่ก่อนไม่เอาเอาบริกรรมไปกําหนดอบริกรรมกำหนดเป็ไหนยกย่างเห ย, ย, ยียบโยกย่างเหยียบไปมานะมาอยู่ในเมืองจะไปกําหนด ยกี่างเหยียบแบบนั้นก็ไม่ทันใช่ไหมหรือเราฝึกดูลมหายใจนะ่ะตอนนั่มันก็กอดูได้บ้างแต่พอมันใช้ชีวิตนะ่มันดูไม่เป็มนะมันดูไม่ทันมันได้เอียดเกินไปแต่ก็โชคดีเนะนะี่ยแหละพอได้บวชได้มันรู้จากการเคลื่อนไหวนะได้ปฏิบัติธรรมแบบมีสตินะเข้าใจจริงโอ้อถ้าเราเอาสติจริงๆเนะี่ยมันใช้ได้ทั้งตลอด เวลานะธรรมะมันเป็นเรื่องหนึ่งชีวิตได้จริงจริงนะอาศัยการเคลื่อนไหวนะเป็นการสร้างควารู้สึกตัวนะอาศัยการรู้ถัดใจบ้างนะเป็นการสร้างสติในะรู้สึกตัวเนะ่ธรรมะมันก็เลยอ้อปฏิบัติธรรมมันทําได้ทั้งชีวิตแบบนี้นี่เองไม่ใช่แต่เฉพาะตอนที่เราทําในรูปแบบนะแต่นอกรูปแบบเราก็ทําได้ใช่ไหมนะแต่ที่จริงมันทําให้เรา การที่ทําให้ชีวิตอรคทุกข์ลงหรือไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีความสุขความสบายมาแทนที่อะไรแบบนั้นนะแต่คือมันเห็นความความยึดติดถือมั่นของตัวเองนะ <c oughs> เห็นแล้วมันมันค่อยๆคลายไปทีละปอกทีละปมทีละรเรื่องในหลายๆอย่างนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าจะติดนะแต่มันก็บางขณะมันก็ติดนะเยกตัวอย่างอันหนึ่งก็ได้นะ อย่างที่ว่านะพอแปะการเราเป็นแบบแนวพวกทำกิจกรรมนะจะดุยดุยแบบคิดว่าตะเองแบบแบบดุยๆนะก็มีวันหนึ่งอนะ่ะตอนเป็นพระนะไปตัดท่วมไปตัดขี้นะเนยะเพราะว่ารากไม้มันต่ย น, นะอพอเราไปตักขี้นะปุ๊บเนะีเราเกิดตัวตนใช่ไหมนะว่าเฮ้ยเราเป็นพระ เราเรียนจบปริญญาตีทําไมเรามาตักขี้แบบนี้เงี้ยมันตัวตนเอ้ที่มันไม่ชอบนะไอ้ไอ้เหม็นขี้เนะี่ยมันธรรมดานะมันต้องเหม็นอยู่แล้วแต่อีตัวตนที่มันแบบยกขึ้นมาข้างเป็นเหตุผลทําไมเราต้องมาทํำแบบนี้ด้วยเนี่ยเรารู้สึกเล็ยไ อ, อ้เราก็ว่าตอนเราเรียนนักศึกษาเราไม่ไปรับปริญญาเนะี่ยเราก็เราไม่ค่อยให้คุ้มค่าเรื่องเรื่องเรื่องพวนั้นอยู่แล้ว น, นะนะ หรือเราไปพุ่คียกับแต่ละอะไรต่างๆัที่ว่าเราก็มีความเป็นควรแล้วแต่พอมาเกิดเหตการเนี้ยตัวตนมันมันสร้างมาจากความที่เราคิดว่าตอนั้นก็ไปช่วยพระท่านทำมันก็ทําดีแล้วแต่พอมันไม่ชอบขึ้มาปุ๊บตัวตนเกิดขึ้นมันเห็นตัวตนนัะเกิดขึ้นบ่อยมากตัวตนเกิดขึ้นจากความที่มันไม่มีอะไรนี่เลยนะมันแลมันก็หลอกเราในหลายเรื่องมาก ในการปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่สร้างนั่นสร้างนี่เยอะแยะมากในชีวิตเราก็เป็นจุดเปลี่ยนขั้งที่สามนะในการได้ไดศึกษาธรรมะเนาะมันมันรูสึกว่าธามะมันตอบโจทย์เรื่องทำให้ชีวิตเราทุกน้อยลงแล้วก็มีคล้ายมีความมั่นคงภายใใจมากขึนะ้นอันนี้ก็เป็นเหมือนในประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่ ก็แลกเปลี่ยนให้พวกเราได้ยินได้ฟังไว้นะเดี๋ยวพวกเราจะได้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเมื่อถึงวันหนึ่งที่มันมีจะเปลี่ยนกับชีวิตของเราเองนะก็ขอให้พวกเราได้พบนะได้พบทางที่ที่ถูกที่ดีนะนะที่ทําให้ชีวิตเรามีความคุกน้อยลงนะมีความสุขมากขึ้นแต่ทางไหนก็ได้นะรูปแบบไหนก็ได้ คำว่าศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชแบบนี้นะนะหรือว่าการทํากิจกรรมก็ไม่ใช่ต้องไปดูแบบพระอาจารย์ก็ได้นะหรือไม่ต้องรอว่าประสบบัติเหตุก็ค่อยไปรักพ่อรักแม่ก็ได้นะอะไรประมาณนะั้นมันก็เป็นแค่แต่ละคนมันมีเส้นทางที่แตกต่างกันนะแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละครอบครัวด้วยแม้แต่ครอบครัวเดีวยวกันยังไม่เหมือนกันนะ มันก็ไม่เหมือนกันแต่ขอให้เราถามตัวเองว่าชีวิตเนี้ยเราต้องการอะไรเราเกิดมาเราต้องการอะไรเราต้องการเพื่อจะทําอะไรชีวิตมันจะจะมีเป้าหมายภายในนะ่ะมันจะรู้สึกเลยเราเราต้องการอะไรในชีวิตเนี้ยไม่รู้นะลึกๆเราก มีความสุขต้องการที่จะมีความพุกขน้อยๆ น, นะอย่างอื่นมันก็เป็นเพียงแค่ตอบโจทย์ตรงนี้แหละรู้สึกว่าต้องการที่ทําทีวิตเรามีความสุขทําให้ชีวิตเรามีความทุกข์น้อยลงนะเราเองก็ลองถามตัวเองว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรนะเราจะใช้ชีวิตที่เหลือนะเพื่ออะไรนะเราก็ให้เราลองถามตัวเองนะแล้วก็พิจารณาตัวเองเนาะก็นะปากไว้นะ Ah. Uh...